พระธรรมเทศนาแผ่นที่83าลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่หนึ่งมกราคม2559นมีชื่อเรื่องว่าปีใหม่ให้คิดใหม่ทำใหม่ อา้าวลูกหลานอยู่ในความสงบสินี่ใครจะถ่ายรูปห้ามถ่ายในช่วงนี้นะลูกหลานนะลูกหลานเด็กเล็กลูกเล็กเด็กแดงถงเสียงให้ออกไปข้างนอกก่อนให้เอาลูกหลานออกไปข้างนอกก่อนเมื่อหลวงพ่อหลวงตาพูดจบแล้วยังค่อยเอาเข้ามานะแล้วก็ให้ลูกหลาน เมื่อเสร็จแล้วยังค่อยรับเข้ามารับทานอาหารร่วมกันนะลูกหลานนอะอาหารก็มีเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้แต่ทีอย่างไรก็ให้พวกคณะกรรมการและพวกคนโยอมในวัดช่วยๆกันดูนะหลวงพ่อนะจะเน้นหนักเรื่องอาหารให้ทั่วถึงไม่ให้มาอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่หลวงพ่อได้เก็บสำรองอาหารไว้ในก่อเพื่อ ตรงไหนที่มันขาดตกบกพร่องก็ให้คณะกรรมการและโยมวัดเดินตรวจตราดูตรงไหนที่มันขาดตกบกพร่องนะใส่ให้เติมให้มันเต็มเพื่อให้ได้ ท, ดทานอาหารถึงจะมีน้อยก็ให้ให้โทษถึงขนาดน้อยนะถ้ามีมากก็ให้มันโทษถึงอย่างมากไม่ให้มันอยู่ในกระจุกใดกระจุกหนึ่ง ถ้าไปอย่งงางนั้นแปลว่าพวกเรามาวัดนะมันไม่ไม่เป็นธรรมพูดง่ายๆนะ เ, เพราะว่าพวกเราทุกคนเข้ามาสู่วัดก่อนบางทนก็อิ่มแล้วก็มีแต่บางคนยังหิวอยู่นะหิวอยู่ก็ต้องได้รับาทานอาหารร่วมกันเพราะอาหารเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญสัพเพสัตตาอาหารฤทธิกา สัปสัดทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารพวกเราต้องเป็นอยู่ด้วยอาหารอย่างน้อยก็ต้องอิม่มถ้าว่าใครไม่อิ่มนะเนาะอาหารโยมรันน้ำโสมเขาตั้งมาตั้งก๋วยเตี๋ยวอยู่ทางซ้ายมือของหลวงพ่ออยู่ในเต็นต์แล้วก็กาแฟของหมวดดิดไปกินกาแฟกินก๋วยเตี๋ยวถ้าใครยัง อาหารยังไม่เพียงพอนะไปรับทานอาหารไปเอาก๋วยเตี๋ยวเพิ่มอีกก็ได้วันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าในวันนี้เป็นวันห้ า, าสิบเก้านคณาสทายาิโยมหลวงพ่อพุธิห้าสิบแปดห้าสิบแปดมานมนานแต่วันนี้เป็นวันปีพศอ พุทธศักราช 2,559 58จะไม่พูดถึงอีกแล้วท่านี้เพราะมันผ่านมาแล้วตี่หละมันไม่ผ่านแต่วันคืนเดือนปีนะคณับนักศัาญายาดโยมชีวิตของพวกเราก็ผ่านไปเช่นเดียวกันกับวันคืนเดือนปีนี่แหละออย่างหลวงพ่อเนี่ยลูกหลานคณกศัธาาตธ์ชายาโยมมาเห็นเมื่อปีที่แล้วโอ้หลวงพ่อของเราเนี่ยเอไม่แก่เหมือนปีนี้ปีนี้รู้สึกว่าเห็นได้แล้วแก่แล้วนะ เพราะไรปีหน้ามาดูก็ยิ่งแก่กว่าปีนี้ไปอีกนะเออมันแก่ไปเรื่อยๆแก่ไปข้างหน้าแต่ถึงยังไงขอประกาศหรือว่าบอกกล่าวให้กันนักทาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายพวกลูกหลานทั้งหลายก็เหมือนกับลวงพ่อเนี่แหละแก่ไปข้างหน้าเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะค่าๆว่าจะไปชราดใจอย่าไปคิดว่าตัวเองจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายตายไม่เป็นไม่ใช่นะลูกหลานนะ เพราั้ให้ขอให้พวกลูกหลานทุกคนประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรานั่นะเลิศประเสริฐที่สุดในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่ อ, พอแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราในท่านสอนพวกเราเ่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทุกคนน้าอยู่ในใน หัวเมืองไหนมุมเมืองไหนอยู่ในประเทศนันไหนก็ตามครก็ขอให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลอย่างที่ลุงพ่อได้พูดกล่าวถึงสองครั้งสองวันบอกว่าถึงหลวงพ่อกับพวกคณะลูกหลานอยู่ห่างไกลกันแต่จิตใจมุ่งมั่นเพื่อประกอบคุณงามความดีเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลถึงจะอยู่ไกลกันก็เหมือนกับอยู่ใกล้หลวงพ่อ ถ้าหากว่าผู้อยู่ใกล้หลวงพ่อเป็นมิตรสาธิฐิคือความเห็นไม่ตรงไม่ตรงกับหลวงพ่อนะเถึงจะอยู่ใกล้ก็เหมือนกับอยู่ไกลเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทุกคนนอะถึงจะอยู่ไกลก็ให้ประกอบคุณงามความดีสร้างสมบูรณ์คุศลตายแล้วไม่สูนหลวงพ่อสอนแล้วสอนอกีกบอกแล้วบอกอีกหลักพิสูจน์ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวบอกว่าหลักพิสูจน์ของพุทธศาสนาพิสูจน์ยังไง จึงจะรู้ว่าตายแล้วเกิดอ่ามีหลักพิสูจน์อยู่แล้วที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวในหนังสือที่หลวงพ่อแจกในวันนี้ก็เหมือนกันนี่แหละอยู่ในนั้นมีทาคําสอนต่างมากมายให้ลูกหลานทั้งหลายเอาไปอ่านเอาไปศึกษาถ้าพวกลูกหลงตาแจกขนมวันนี้พวกลูกหลานกินขนมนมเนยวันนี้มันก็หมดนะแต่หนังสือเนี่ยลูกหลานเอาไปอ่านเอาไปศึกษาแล้ว ลูกหลานจะได้รับความรู้ความฉลาดจากหนังสือแต่ตามไม่จริงหมอเขาว่านะหมอทุกวันนี้เขาบอกอีกนะลูกหลานนะเขาบอกว่าคนเรานี่ยควรจะอ่านหนังสืออย่างน้อยอย่างน้อยวันละ30นาทีเขาว่ากันนะให้อ่านหนังสือวันอย่างน้อยวันละ30นาทีถ้ า, าว่าไม่อ่านหนังสือเฉลยไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ใช้ความคิดเฉลย คนนั้นจะเป็นอัลไซเมอร์ได้ง่ายๆหลงๆ ล, ลืมๆเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ฝึกสมองไม่ได้ฝึกความจำเหมือนกับพวกเราเนี่ยนะวันไหนก็ไม่ได้ทำไม่ได้ออกกําลังกายใช่ไหอนั่งอยู่กับที่นอนอยู่กับที่อีกสักวันหนึ่งนคนนั้นจะเดินไม่ได้เพราะผังผืดมันติดเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ออกกาลังกายเพราะนั้นเขาจึงองให้ออกกาลังกายควรจะวิ่งถือชอบไหมออกกาลังกายไม่ชอบ แต่มันจําเป็นจะต้องออกทําไม่ออกไม่ได้สุขภาพมันไม่เคลื่อนไหวนี้ก็เหมือนกันอ่ะสมองไม่คิดสมองไม่ใช้ความจําสมองไม่ได้คิดในการใช้ความจําก็เป็นอันเสเมอร์ง่ายง่ายๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นให้พวกลกูกหลานอ่านศึกษาธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือธรรมะเนะ่ยไม่ใช่จะให้อ่านแต่หนังสือหลวงพ่อนะนนอ ar, นอหนังสือครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามที่ได้มาแล้วก็ศึกษาดู พออ่านแล้วก็วิเคราะห์ดูอีกต่างหากเออครูบาอจารย์องค์นี้ท่านพูดยังไงทําไมทาไมพูดอย่างนีออ้ถ้าเราคล่องใจสงสัยเอามาถามครูบาจารย์ท่านผู้รู้ออมีนแนวความคิดอย่างนี้ท่านพูดอย่างนี้มันถูกต้องไหมแต่ผมได้เห็นจุดนั้นมันขัดกันกับจุดนั้นนะ เ, ออเราอาจจะมีความเห็นออไม่ตรงกันกับในเรื่องที่เราได้อ่านได้ศึกษา เพราเราพวกเราลูกหลานทั้งหลายเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังนะธรรมาเกิดในครั้งพระพุทธเจ้าพวกเราก็คงจะได้นําไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าต้นศาสด า, ศาต้นพระพุทธศาสนศ า, ศ า, ศ า, ศาแต่นี้พวกเรามาเกิดมาสุดท้ายภายหลังเราก็อ่านไปกศึกษาไปแล้วก็มีความข้องใจตรงไหนก็ถามไถ่ถา ม, ถามครูบาอาจารย์พวกเราจะได้รับความรู้ความฉลาดในการศึกษาธรรมะนะ ในเมื่อเรารู้เราเข้าใจแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัตินะไม่ใช่รู้เฉยๆแล้วก็จบไม่ใช่นะพวกเราต้องนำมาประพฤติปฏิบัติรักษาศีลภาวนาเรื่องกิจภาวนาเนี่ยสำคัญในในแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเราแต่เรื่องการเป็นอยู่ท่านก็สอนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้สอนนั่นแหละ การเป็นอยู่ด้วยกันให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันเนะในครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานสิ่งไหนที่มันไม่ดีเนี่ยอย่านำมาอย่าเอามาพูดจะให้ทะเลาะวิวาทกันถ้าหากว่าสิ่งไหนที่มันจะทะเาะวิวาทกันให้หยุดซะให้เป็นผู้แพ้ซะสักคนหนึ่งให้ผู้เก่งก็ให้เก่งไปซะถ้าต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างเก่งต่างคนต่าง เอาชนะกันอันนั้นเดี๋ยวก็ทะเลาะกันได้ง่ายๆพวกเราต้องใช้ปัญญาต้องใช้แนวความคิดนะถ้ามันจะทะเลาะกันเออถ้าว่าเถียงกันออด้วยหาจะติหาปัญญาถึงอย่างไรก็ไม่ทะเลาะกันอยู่แล้วและเราเนี่ยแต่ว่าหาวิธีการที่จะออวิธีการมันเป็นอย่างนี้เออป็นอย่างนั้นคออายๆว่าหาทางออกนะออแต่ เหมือนกับเราทะเลาะกันแต่จะไม่ใช่แต่เราหาทางออกะคือใครๆว่าหาปัญญาอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่พอเอาบางทีทะเลาะวิวาทหรือว่าการแสดงความคิดเห็นชิงดีชิงเด่นกันอันนั้นอันนั้นถ้าเรารู้แล้วมันจะทะเลาะกันนะเนี่ยเราก็ต้องเป็นยอมแพ้ซะะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ซะมันเลือ่อมมันกระจบนะแต่ว่าไม่ยอมแพ้ไม่ลดลาว่าศอกแล้วกัะทะเลาะกันได้ไง่ายๆ ที่อยู่ด้วยกันนะพวกเราต้องใช้สติใช้ปัญญานะการอยู่ด้วยกันเพราะนิสัยของคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันถึงจะลูกพ่อแม่เดียวกันก็จะมันไม่เหมือนกันมันแปลกเหมือนกันนั่นแหละจิตใจนานานานาทัศน์นาน า, นาความคิดเห็นเนะี่ยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนไม่ต้องพูดถึงคนอื่นลนะขนาดญาดติโกโหติกา เกิดมาด้วยกันก็ยังความคิดยังไม่เหมือนกันคนอื่นไม่ต้องพูดเพราะนั้นการพูดเรือว่าการแสดงความคิดเห็นต่างๆเราก็ต้องฟังเว้นเสียตะวันเราพูดในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นคนทั้งหลายต้องฟังถ้าลงคนทั้งหลายต้องฟังนะเราก็แสดงความคิดเห็นมีความคิดเห็นอย่างไรเอาเลยเ อ, อย่างพวกฤทธิสวีเขาปกครองกัน ในค้างพุทธกาลในค้างพระพุทธเจ้าริสสวีห้าร้อยเขาปกครองกันเขาปกครองกันยังไงอปกครองแบบริสสวีคือริสสวีเนี่ยเขาก็ท่องทำการบ้านของเขาแล้วแปลว่าเจ็ดวันเจ็ดวันให้เป็นพระราชาเจ็ดวันคนนี้พอถึงครบดิวแล้วก็องนึกถคนนี้ก็ขึ้นมาเป็นพระราชาเจ็ดวันพอเจ็ดวันเสร็จแล้วก็แสดงความคิดเห็นละ เออข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้อย่างนี้เนยพวกนั้นก็ น, นั่งเอออาปากบอกฟังห้เออพอผุดให้ขึ้นเวทีใช่ไหมเออพอเสร็จแล้วก็ได้เจ็ดวันลงจากเวทีเทเออแล้วก็คนที่เออสองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกจนถึงห้าร้อยนั่นน่ะคนที่เท่าไหร่ก็ขึ้นไปเจ็ดวันสแสดงขึ้นบนเวทีเออ การพัฒนาการความเห็นของข้าพเจ้าในขณะที่ผ่านมาไปเยอคือทำการบ้านมาทุกคนเลยเ ป, เป็นเจ้าฤทศวีพอเสร็จเจ็ดวันก็เอาหมดลงมานั่งคอยฟังฤทศวีคนต่อไปนั่งอาปากบ อ, อคนที่ได้ขึ้นบนเวทีก็แสดงความคิดเห็นที่ผ่านานมาอย่างไรเป็นอย่างไงจะพัฒนาอย่างไงประเทศชาติบ้านเมืองของเรา นี่แหละอันนี้คือการปกครองโดยลิสุวีนะห้ามไม่ให้ใครมีการถกเถียงแต่แสดงความคิดเห็นนี่แหละจากนั้นก็ประมวลไปนําไปปฏิบัติไงนําไปปฏิบัตินี่แหละอันนี้คือการปกครองส่วนหนึ่งอันนี้แหละผู้หลงพ่อว่าพวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันให้เป็นผู้ฟังไว้เลยจะดีกว่าถ้าว่าเถียงขึ้นมากันทะเลาะตัวะแวง ทะเลาะเบาแวงกันอันนั้นคือพวกเราก็ต้องสำรวมระวังอีกเหมือนกันให้ผู้เป็นผู้ฟังไว้ดีนะเรารู้จักกาลเทศการสถานที่บุคคลนี่แหะการอยู่ด้วยกันนะลูกหลานนะ้อ น, นุนสัตถญาติโยมอันนี้ถ้ า, วาพวกเราค้อนทอก้อนไม้เท่าไม้ไม่มีใครลดลาวาซอกันกันนี่แหละการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นขอฝากไว้พรปีใหม่สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ฟัง อให้ผู้ฟังเมากกว่าถ้าเว้นเสียแต่เขาให้แสดงความคิดเห็นเราก็ขึ้นเวทีเลยแสดงความคิดเห็นเลยอพูดให้ฟังอแต่ทุกคนเมื่อเขาแสดงความคิดเห็นก็จะไปคัดค้านเขาในขณะที่เขาแสดงความคิดเห็นเว้นเสียเราพูดไปวกไปวนมาวกไปวนมานะ่เอออันนั้นต้องไล่ลงลงเวทีเอ้ยวนแล้วนะอเข้าใจแล้วละเข้าใจแล้วละพวกเรากด ควรจะทำใจอย่างนั้นนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะแต่อย่าพร้อมกันก็อย่าลืมศีลธรรมลืมศีลธรรมจระยะธรรมที่หลวงพ่อได้ย้ำได้ ก, กล่าวพวกเราอยู่ด้วยกันมากมายต้องมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันคนในชาตินะถ้าจึงไหนที่มันจะทะเลาะเบาแวงกันอย่าไปเอามาแขะอย่าเอาม า, าก่เอเรื่องขึ้นมา ที่มันจะทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองครอบครัวของเราแตกแยกสามัคคีให้พวกเราสํารวมระวังถ้่จากนั้นก็ให้ดูแลพ่อแม่ของพวกเราเกิดมาจากไหนเราเกิดมาจากไหนอย่าลืมกราพืชของตัวเองพูดง่ายๆเราเกิดมาจากพ่อจากแม่เราก็ต้องดูแลพ่อแม่ของเราอยู่ยังไงกินยังไงค่าใช้จ่ายเป็นยังไงเพียงพอไหมผู้ที่ พี่น้องอยู่กับพ่อกับแม่เราก็ต้องทะนุถนอมน้ําใจเขาเพราะอยู่เราอยู่ไกลมาเป็นยังไงไว้พ่อแม่ของเราดูแลเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงขาดเหลืออะไรถ้ามีอะไรก็บอกไปหาพี่พน้องๆนะพวกเราจะได้ช่วยกันเพราะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนพ่อแม่สองคนนะ่ะมีลูก4ี่ห้าหคนหรือ10คนก็ตามเป็นหน้าที่ของบทธิดาจะต้องช่วยกันดูแล ไม่ใช่ก็ให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งแต่จะให้เป็นมหาเศรษฐีจะกอนยังค่อยมาดูแลพ่อแมออ่ตายไปกี่พอพกี่ชาติมันก็คงไม่ได้เป็นดอกเศรษฐีนะแต่พออยู่พอกินทำงานได้เงินเดือนมาก็ควรจะเจียดบูชาหรือว่าให้พ่อให้แม่ของเราคนละนิดคนละหน่อยมันก็นั้นแหละเป็นก้อนขึ้นมาพ่อแม่ก็จะได้ของเราก็จะได้ อยู่ได้กินได้ใช้ได้สอยได้ทำบุญทำทานาก็เป็นที่สบายอกสบายใจเออที่เราเลี้ยงลูกขอ ง, ของเรามาเนี่ยไม่เสียทีรู้จักลูกของเรารู้จักบุญคุณของพ่อของแม่อย่างนี้พ่อแม่ก็ดีอกดีใจอุ่นอกอุ่นใจเว้นเสียาบางคนพอเลี้ยงมาแล้วต่างคนต่างาหายไปไม่ดูแลพ่อแม่เหมือนกับลูกเป็ดนะลูกเป็ดหนีไปคนละทิศคนละทางนะ อย่างนั้นก็ไม่น่าจะถูกนะลูกหลานนะช่วยช่วยกันดูนะอันนี้หลวงพ่อย้ำกล่าวอยู่เสมอพ่อแม่เป็นผู้มีอุปการคุณเป็นผู้มีบุญคุณต่อบุท ธ, ธิดาแต่ก็พร้อมกันประเทศชาติบ้านเมืองก็เหมือนกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พวกเราเป็นผู้โชคดีอย่างมากได้ไดมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยธรรมชาติก็มาเดค่าพวกเราค่ากับแผ่นดินก็ไม่ไหว แผ่นดินก็ไม่ทันลมน้าก็ไม่ท่วมหนาวก็ไม่หนาวเกินไปร้อนก็ไม่ร้อนเกินไปพวกเราอยู่ในประเทศที่มีความสุขพอสมควรอาหารการบริโภคก็ดีถึงคนจะในชาติจะทะเลาะว่แวงกันก็มีกรรมการคือเนี่ยแหะบางทีมีเรื่องราวเกิดขึ้นใหญ่ก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หลังๆมาเนะี่ยแต่บัดนี้อายุของพระองค์ท่านก็มากแล้วนะ กเป็นปูเป็นทวดของพวกเราจะให้ท่านห้ามปลามเหมือนสมัยก่อนก็คงไม่ได้ล่ะเป็นร่มโพร่มใสกับพวกลูกหลานแต่ถึงอย่างไรท่านทำคุณูปการให้กับประเทศชาติบ้านเมืองมามากโตมากเหมือนกับพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของพวกเรานั่นแหละท่านทำคุณประโยชน์ให้กับตระกูลของเราพอมาถึงจุดหนึ่งนะท่านกรพูดไม่ได้เดิน ง, งกกันงินเราจะไปดูถูกเยยดยามพ่อแม่เราก็ไม่ถูกเหมือนกันด้ เราต้องให้เกียรติต้องให้ความเคารพในในพระคุณของท่านไอันนี้ก็คือการเป็นอยู่แล้วก็พร้อมกันหลวงพอ่อยากจะให้คิดไกลกว่านั้นไปอีกเลยนะชีวิตของพวกเราไม่ใช่มันอยู่จบมันอยู่เพียงแค่นี้นะอีกสักวันหนึ่งชีวิตของพวกเราจะต้องถึงจุดจบจุดจบคือชีวิตคืออะไรคือความตายแต่หลวงพ่อเองไม่อยากจะพูดวันปีใหม่อย่างเนี้ยพูดถึงความตายแต่หลวงพ่อเนี่ยนะ เออให้ข่าวเตือนไว้เ อ, อปีนี้กับมันแก่กว่าปีที่แล้วอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเ อ, อแก่ไปหาไหนแก่ไปหาความตายถ้าไม่พูดถึงความตายเนยพวกเรามันไม่สะดุดใจนะ อ, อมันจะลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินลืมตัวจนเกินไปเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงย้ําเสมอว่าถึงจะผ่านปีใหม่ร่ํารวยโชคดีมีสุขขนาดไหนก็เถอนะนั่นลูกหลานนะอย่าลืมตัวมันมีวันหนึ่งข้างหน้าทุกคน เพราะนั้นถึงจุดนั้นแหละพวกเราได้คิดไว้ล่วงหน้าไว้หรือเปล่าเราได้คิดไว้ยหรื อ, อยังเราจะหาทางออกจุดนั้นหรื อ, อยังและสั่งสมบุญกุศลเป็นที่อุ่นใจของเราหรื อ, อยังถ้าพวกเรายังไม่สั่งสมบุญกุศลเป็นที่อุ่นใจล่ะให้รีบรีบทำซะนะพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเนี่แต่พบพระพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศล เ, เข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราในเมื่อเราเจากโลกนี้ไปบุญกุศลนั่นแหลจะเป็นเพื่อนสองของเราเะจะเป็นเพื่อนสองเข้าใจไหมคล้ายๆว่าเป็นผู้พานาไปสู่ความสุขความเจริญถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้ทำคุณงามความดีทำแต่ความชัว่ว กรรมชั่วจะเป็นเพื่อนสองเอกพาเราเไป เ, เข้าป่าเข้ารกไปเรื่อยไปหาเกิดเป็นศัตวูรส า, าสิงช้างมาวัวควายเป็นได้ทั้งนั้นกรรมชั่วพาไปเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปเป็นมิตรกับกรรมชั่วเนะเราควรจะเป็นมิตรกับกรรมดีกับบุญกุศลเจะดีกว่าไม่ใช่เหรอ เพราะนั้นขอให้ฝากไว้กับลูกหลานทุกคนนะตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อย้ําแล้วบอกอีกพ่อผงหลวงพ่อได้ยินมาแล้วกันหนาหูแลเกินว่าเออพอไปถามใครก็ไม่เห็นตายแล้วไม่เห็นใครมาบอกตายแล้วสูญพอคิดว่าตายแล้วสูญเท่านั้นละ่ะเขาไม่ไม่ประกอบคุณงามความดีเลยมีแต่สร้างบาปอากุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเป็นส่วนมากเพราะอะไรเพราะว่าไม่เชื่อแล้วตายแล้วเกิดน่ะ พอตายแล้วศูนย์จะทําอะไรก็ทําได้ไม่มีที่ลับเ อ, อถ้าทําในที่แจ้งก็กลัวเขาจะจับ อ, อผิดกฎหมายพอในที่ลับเราก็ทําความชั่วได้ทุกอย่างเพื่อไรเพราะไม่กลัวบาปเพราะนั้นบาปมันมีนะั่นหลุกรานนะเ อ, อบาปมีนรกมีสวรรค์มี อ, อตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีกแน่นอน อ, อให้ศึกษาจุดนี้นะหนังสือที่หลวงพ่อแจกไปนะนะวิธีการปฏิบัติ ภาวนานต้องมีบทหนึ่งละจะต้องพูดในนั้นเพราะหลวงพ่อเน้นหนักเรื่องว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่ให้เกิดก็คือดวงวิญญาณคือใจตัวรู้รู้นั่นแนหะตัวนั้นแหละจะพาไปเกิดมันออกจากร่างไปเรว่านามะธรรมตัวนั้นเร็วกว่าในหลักของพุทธศาสนาเรว่านามะธรรมมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่หลักของพุทธศาสนาให้ความสําคัญจุดนั้นนะจุดสําคัญยิ่งกว่าร่างกายของเราเสียอีกนะ ตัวความคิดตัวนั้นนะ่ะเจ้าว่ามัณโนปุพังขามาธรรมามนโนเสรามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนะ่ะใจดงนั่นละ่ะจะไปพาไปดีหรือพาไปชั่วตัวนั้นละ่ะเป็นผู้รับบุญเป็นผู้รับบาปเมื่อรับบุญก็ไปสู่สกตุติถ้ารับบาปก็ไปตกนรกเนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนะี่ยอยู่ในพื้นมนุษย์เดียวนี่นะ่ะถ้าผู้ใดได้รับการศึกษาดี เป็นคนดีได้รับยกย่องไปสอบที่ไหนก็ได้ติดพวกเราก็เป็นข้าราชการที่ดีเป็นเจ้านายที่ดีเป็นที่ยอมรับของคู่ขนทั้งหลายเพราะประกอบแต่คุณงามความดีแต่พวกเราอะไรเลยขึ้นมาแหละไปกินเหล้าไปตีหัวเขาเขา้าไปฆ่าคนเขา้าไปซื้ออาวุธปืนมายิงเขาเขาเข้าเนี่ยเมื่อทาเราทำกรรมชั่วแลยเราจะไปจะไปได้ดีได้งไงเขาก็จงจับไปเข้าคุกเข้าตารางทน่ เออถ้ามันโทษหนักกว่า่นน์คกเมืองอรดอย่งางว่แล้วอ ย, อย่างลาดยาวทั้งบางขวางไปอีกเ อ, อตัดสินเท่าดีเท่าไหร่เ อ, อตัดสินคดีเท่าไหร่เออฟังฟั ง, ฟงดูแล้วบางทีก็บอโอ้โหเป็นร้อยร้อยปีก็มีนะออแต่คนไม่ถึงขนาดนั้นเพราะคดีมันมากใช่ไมอมมันโยงใหญ่ไปเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะเอาอะไรทั้งสองอย่างดีกับชั่วนะ พวกเราได้พบพระพุทธศาสนาได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนะควรจะประกอบคุนงามความดีนะลูกหลานทุกคนเนอะอันนี้คือพรหลวงพ่อประสิทธิ์ประสาทพรปีใหม่นะใคราว่าให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายและก็พร้อมกันหลวงพ่อก็ขออำนวยอวยพรน ะ, ะเมื่อวานเนี่ยปว่าพรส่งท้ายปีเก่านะแต่บัดนี้ให้พรรับรับพรปีใหม่รับ รพรปีใหม่และวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราณ์นะหลวงพ่อจะอํานวยอวยพรพรปีใหม่ให้คณะทายาทโยมลูกหลานทุกคนนะที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเนื่องจะอยู่ในขั้วโลกไหนประเทศไหนอยู่นักสถานที่ใดป่าหลงพงภัยที่ไหนที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดในวันนี้นะหลวงพ่อขออํานวยอวยพรให้กับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าผู้ใด มีโรคาพยาตก็ขอให้หายจากโรคาพยาตผู้ใดมีทุกจิตทุกใจก็ขอให้หายจากทุกจิตทุกใจให้มีสุขะพารานาไม่าามที่แข็งแรงให้มีสุข ก, กายสุขใจด้วยอํานาจคุณพระศีรัตน์ไรยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ในโลกที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ ่ขอให้มาคุ้มครองกนัตถายาติโยมแล้วก็พร้อมกันด้วยบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายที่หลวงพ่อรักเคารพนับถือเลื่อมใสตลอดถึงบุญบา ร, รมีของหลวงพ่อเองที่ได้สั่งสมมาในอดีตชาติจนถึงปัจจุบั น, นชาติประกอบคุณงามความดีคุณงามความดีและบุญบา ร, รมีหรือว่า